เหตุบหบเป็นเวลาบัณนนาเหตุแต่บบตั้งใจเหตุทำงานจ็คชโมงหนึ่งนี่คนตั้งใจท้ำกับคนบบตั้งใจท้ำมันในผลงานต่างกันอยากพ้นเมื่อแบงให้พุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายก็มีการเรียงชีพจำเป็นจะต้อง มีหลูกมีหลานมีขอบมีครัวคนจังหอยยี่สหกมือท้ำยู่้ำกินอย่าประมาทอันนี้โปรตีต่งอกต่างใจท้ำเดือนหนึ่งมีสามสิบวันจัดเป็นวันพระซะีวันวันเ้าผักพรานผู้ฮิตหน้า เพชดนันเพชรนี่คือกันมันมั่วมันเมาหลายมันเล่ยหลงหนาหลงหลังบ่หัวจักวันพระวันเพตน่ะอ๋อหัวจักตนจักฝ่ายดื้อมห้เป็นวันคือหัสวันฆรวาสน่ะยี่สิบหกวันหาวันเป็นวันพระคือวันวันบ่หายเกิดโทษนะอาย่สบายหามีสติสตังค์ซีวันแกก็วันพระ นั่นงค น, น, นกระโบวจักเดือนหนึ่งปันวันพาให้จังยีชุบกวันวันคือเรื่องฮัตยีชุบกวันเยังมาขโมยเอาวันพระบปอีกจอยคนไหนวันพระสี่วันยังมาขโมยไปอีกสั่งได้โบ่จักวันาาพระวันเพศเนี่ยง่วสุมกันเขาวันพระอายุธ่านึงเ่าตังใจ ทำงานเดินการชีวันเขาหยุดชีวันทำงานหยดชินกวันไอ้แม่นต่างใจทำจริงๆอ่ะหยุดชีวันบอกเขาเป็นอย่างพักผรคเนี่ยเข้ากับิไเลยพั ก, กันพักพำลัง ม, มีบทมีบาทง่วคห้อยมันะเะียกใครไทยกับดีพักพ่อนเดี๋ยกินยากินยู้เนียพักพรอนก็นมีกำลังใจ เพเก่งการใส่ปลอกเท้าทั้งหลายนั่นให้มีวันพักพรแล้วทั้งภาคกลางวันพระก็บรรทมหน้าจะเขาไปหากินเหล่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปหาตีไก่ไปหาดิไไานไทเนี่ยบ่งชักความหมายความเป็นจริงคนในพักให้มีประโยชน์อให้อยู่บ้านอยู่เฮือนให้มีประโยชน์พักพร ถ้าพัดเอาเวลานี่ประโยชน์ไปเห็นแนวอื่นมันได้บท ถ, ถึกจุดของปราดที่เป็นว่างไว้ย่างหน่อยมันยี่สิบหกมือสามสิบมือเข้าเลยมาอบร่มในพักพร4ีวันมันกันยังดีในสติสตังร้อยจิตุส่วนไหน สร้างเขตสร้างถ้ำให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญามันก็แก้ปัญหาได้ปัญหาที่มันหยู่นเน่ขอบในครั้วน้ำดูกน้ำหลานสารพัดยัง่ะมันหยู่ขึ้นมาเข้ากับมีปัญญามีกำลังใจพอได้พักผ่อนอบรมธรรมะเอาธรรมะนี่ไปแก้ปัญหา ขวนทีโกรธมันก็บอกโกรธขวรสีหายนันมันก็บอหายนวรสีทะเลาะกันพิจกันมันก็บอกทะเลาะกันพิจิกันอืมเพราะธรรมะนี่เป็นหลักเข้าเข้าใจเนี่ยธรรมะอืมแล่วทําไปเดื่อดเดือนหนึ่งซีเธอเดือนหนึ่งซีเธอท่านไปเรื่อยดยังไงมันก็ยังดีกว่าบุคคลที่ว่าบ่ได้อะโรคจะเกิอนั่นเพราะท่านง่าน ในจะทําบริกินผลงานต้นไม้ปลายทางจะเข้าเกี่ยวปะกันไปอยู่ใสโมจ่าคือบริกรกำหนดบริกรพิจารณาแต่บริก ร, าารฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์แนะนำทาสอนมันงกับรบิีสติสตังบมิกีมกดบริมเกณฑ์ ถนนต้นจังจัดเป็นกาลิโกโให้มีการมีนิล่าเผืยบปันนึงมาเครื่องหาบของหนักไปชั่วระยะนึงแล้วกบพักว่างหาบที่มันหนักไหวถ้าเศ้าเมื่อยอ่ะอเศร้าเมื่อยหรือก็ยกหาบไปอีกงั้นก็มีการัาง่งจิตต่อสู้เลยหาไปไกล นี่เดี๋ยว่าเท่าเลยพักอันนี้พได้พักหาบค้องนักหนึ่งไปตรวจเดียวโดวจต่างๆแทกที่มันตายวันนี้กับบุหุจักมันโมลีปงมันโมลีว่างมันก็นักไปเรื่อยไม่ควรจักบุหุจักวันพถ้าันเกิดมันเลยอบรมก็คือให้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าคนสอนวันไหนไหนมาฟัง เข้าเนี่เกิดมาเป็นคนมาเกิดมาอยียงแต่เกิดมาแล้วเนี่ยมันมาจะใส่เนี่ยอย่ามายูนี่สิยูไปหนปันไดจังสีนะอยกสิไปสิไปใส่เนี่ยอย่มามา ก, ก็ไผเนี่ยจังสีมีความหมายว่าเาา้าจะได้คิดจะอ่านมาเข้ามาจังไดอย่าเข้าจะยูจังใดอย่าเข า, ายยจะ ไ, ไปจังอีก บางคนเกิดมากรับบริคิดแต่หมุนบ่กคุจักรว่าห้ามาแตใส่เนยมาอยู่จังไหนอยากสิไ ป, ปใส่เนี่ยบริคิดจะเถือคือบไม่มีเวลาสิริจมีแต่เวลาขวากเขาหม่อเมา อ, อ, อยู่น้ำลูกน้าร้าน น, น, า น, าน้ำง่วนน้ำกล้วยนําการน้างานพอไม่มีเวลาเศรษฐกิอก็คือการก็ค่อนท่าหา บ, บริปงจะเถื่อนเนี่ยมันก็เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยก็ค่อนที่หาบแล้วแหละ สมควร น, นะกูว่างอยวาก็มีกันลังางต่อสู่ไปเท่าคือกันนะเนี่ย mm hmm. ขั้วไมยเป็นปีนงจันทร์คนจังจัดนห้เป็ น, นวันพระสีวันเป็นวันค้นสี่สิบหกวันในเดือนหนึ่งนัน่นกับพ่อดีแต่บริขาดหลายพ่อดีคน้น mm hmm. ที่อบล่มกับคนบริอบล่มมันต่างกันจ้ะ คือการก็มีดเลียมมึงเห่าในฝนมีดเดียมมึงมันโมในฝนเนี่ยมันต่างกันจอืเดียมโมในฝนมันกับเข่าขีเมียงมันโมมีคมเดียมในฝนเป็นต้นมันกับว่ามีขีเมียงมันคมเมื่อมันต่างกันมันเจอไปทํางานมันก็ต่างกันมีดเดียมมันคมฟันโบนักใจโบเมือยใจ มีดเดี่ยมที่มันมาคอบเหมือนฟันโมเขานะ่มันเมื่อยใจมันนักใจ ม, ม, มันเป็นอย่างไรเข้าประกันในเฟึกหัดหูจักหูจักผิดหูจักถื อ, อ, ม, อ ม, มันก็มีปัญญาวาฟันประสักอย่างใดโดยสมควรในสิ่งที่มันพอถูกเท้ากับบวุถูก เมืในชียงถี่มันพอลําบากเข้ากับบ่อลำบากพ่อเฮ้าอาศัยพระพุทธอาศัยพระธรรมอาศัยพระสงฆ์อาศัยพระราชาาตรนาตาใจพึ่งซ้อนใน ห, หูจักให้เกิดเป็นย่าแล้วก็แก้ไขมันแก้ไขอุปสรรคที่เกิดมาสะพหนาของเจ้าของอเป็นอย่งจังแกไขได้มันเดียวพัก พระวนันหน้ามันได้พักพีเจดนามันได้พักฟั่งเทปหูจักเหตุผลมันหูจักเบื้องของมันอเข่นว่าเทาเกิดมาจังสมเกิดมาเบื้องแตกแต่เกิดมาเกิดมาหน่อยนุ่มแล้วต่แก่แก่แต่เฒ่าไปตายจังสิ เาเลยใหู้้บาอาจารย์เทนฟังอยู่ว่าเท้าจักเถอมั่นบมดแมนจังกันเม่นเท่าบ้งหวจักมันกเป็นอยู่จังสันเม่นเทาบองหัวจักเม่นเทาหัวจักมันก็เป็นอยู่จังสันเรื่องค้นเกิดมาในดวงให้เทาหจักว่ามันเป็นจังสันตามธรรมดามันเลยอะเท่าดิโตกลงใจมีกำลังใจว่าขนมันเป็นเพระปนันนี่ ยิดใจมันกับ่าบขวบบวบันบวบปูกบวบฝันบวเฟือถทุกมันจะเกิดมามันกะพยายามปรับปรุงคิดจากของสานท่านมันไหนว่าเรื่องของมันเป็นยังันเป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจจากของออแก้ปัญหาได้สิ่งที่มันเดือดดอด มันบอกจากเหลืองของมันฉะนั้น่นจึงจัดวันพระไหวเดือนหนึ่งสี่วันวันคนไหวีที่หกวันพอ่อผู้วิสศิปัญญาขยันขันแข็งในการทำให้ทำหน้าในการขาการขายในการเลื่อนการสร้างพ่อดีพักอพอนพ่อดีคือกันก้าวพนเท่าทำงาน ตั้แตจเศ้าไปฮอนเที่ยงมันจะพักนะพักเที่ยงกันเลยกินเขากินปลาในพักในพรนน์ชั่วโมงหนึ่งออกจากหนักก็ทำงานอีกมันก็นมีกำลังดีกว่าผู้ที่มีผู้ที่ทำงานบ้างหจักพักบ่งจักพรปัญญาบกเกิดนี่จะกว่าเกาหม้วเามา มาวันพระหรืมาฟังเกศฟังธรรมมานัง่งสมาธิเท่าทั้งหลายนั่นวมหะจักเบือ ง, งล่มหายใจจะของจักเสื่อเมนแต่เห็นหน้ามันขามันขา ย, ยานั่นเนี่ยเมื่อใยกำหนดจะเสื่อเอาใจลร่มมันสีเขาเองมันเสียออกเองมันจัมันเข่าออกย่ำในโมหะจักสติเขากับบ่มี ขันมะหอดมันพาคนนเดิมฉินมัน น, ม น, มนั่งอยู่วัดคือห้องว่างสัตว์ละว่างปรไว้ให้มานั่งคนเดิมภาวนาให้ภาว น, า พ, น, า, วนาพุดโถผุดโถนั่งอืมรับต่าตั้งจิตใจให้มันเที่ยงกำหนดร่วมหายใจเขาออ่าหายใจเข่าหนึ่งว่าพุดหายใจออกหนึ่งว่าโทรพยายามมองอยู่ใจบนเดียวให้ กะเห็นลมหายใจจกของโอ้เกิดไปนั่งไปสงบไปปัญญาก็เกิดมันสิอาจคิดในวางชีวิตของคนเนี่ยคือลมนี่นด้มันเป็นต้นเิตอาหารในโดกเนี่ยมันสีมิโดโอซาเอียงกระาัา ง, างมันกระริงอยู่แต่ว่ามันสิสู่ลมว่าไรอาหารภายนอก เข่าปาอาหารทไถ่นอกเบี่ยงด่างกายแม้มันเสียเด็ดอร่อยไปไห น, นมันก็ยังว่างไว้ได้ส่วนต้องหายใจนี่แม่นอนรับเท่ากัต้องกินด้วยเช่นกันลืมตากับต้องกินด้วยจช่นกันนั่งกับต้องกินด้วยจช่นกันมันจะได้คิดได้อย่างหน่งโอ้อาหารนี่เป็นอาหารที่สาคัญเพราะวนน่านะความคิดของเขามันบัคิดไปแต่ชีวิตนี่ อยู่ก็ร่วงหายใจหนึ่งว่าเอาไปเอามามันเศริฐิจเป็นยังไงร่วงหายใจหนึ่งฐามันออกไปแล้วมันเบาเขามากกะตายเขามากเดี๋วบันออกไปกะตายมันเรื่องเท่านี้มันมเป็นเลื่องไหลเนเออนะะมาคิดยังสิมันก็เป็นมรารณะสติกรรมฐานที่น่าถึงข้อมตายของโมหันบนเทยียงของโมพิญเจนเป็นสาน นอวกระท่ำชีวิตนอเป็นแกนเป็นสารเกิดเรื่อยๆในเมื่อว่าอีนั่งมันบ่เป็นบ่เป็นแกนเป็นสารมันบ่หมันบ่เทียงกังเส้นข้าวสิโลบ่บ่โทษสันเป็นอย่างายแท้ทำมาตำกำลังนําพักนําแห้งเขาหนิกรพ่เดี๋ยวมั้งบ่จำเป็นเสดไปลักบ่จําเป็นเสดไปขโมยเขาบ่จําเป็นเสดไปเบียดเบียนผู้ใดผู้นึ่งไงเนี่ยแต่คิดไปท่านนอกนี่เมื่อปัญญามันเกิดแล้วกลับมาเบิ่งจากของ ความพิดมันกับหูจักขึ้นความซวยมันกับหูจักขึ้นความดีกับหูจักขึ้นมันหูจักแล้วมันก็ละละสิ่งที่มันบดีเนี่อนี่ปัญญาเกิดจากการภาวนาอย่าเขาทําไปด้เรื่อยๆคิดถ้ามันสิได้หยุดเบื้องตมหายใจขันไปเห็นหน้าไปข่าไปขายประกอบการงาน่ ยึดมันยนยืนน้แนวอื่นถึงไม่ได้ฝึกบ่ได้หัดแเกรอขันว่าไปกับไปโดดขันว่ามากับมาโดดขันว่าจะให้กับวาผงเคงไปโดดว่ามีความุดข้อมกันงั้นก็ได้ยุงได้ยองขึ้นบะบ่มีธรรมะอันนี้แสนมันคืบข้อใจเป็นพิจัยปันญานก็ยังมีธรรมะกันไว้อ่ครอบัวกับอยู่เย็นเป็นสุขบททะเลาะเบาแหว่งกัน พ่อบ้านกับมีข้อมบวกกันแม่บ้านกับมีข้อมบวกกันพ่อด้ฟังท่ำตุกคนในพักพรตัวคนหูจักทุกคนอันนี้เป็นเหตุัอันนี้มันเป็นเหตุอันนี้ทํา จ, จิตใจบรรโบเป็นแกนเป็นสารในเป็นแกนเป็นสาืมมันสีเสาหมองมันก็ทําบ่ำไว้เสาหมองขึ้นมาฟองใสควอมทีทําบาปทํากรรมมันก็บบทํามันก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอยู่เลียวสัปปะปาปัสสะากัรนั่ง คุณปัสสูปสัมปธาซาจิตะปริโยธาปะนั่งข้ามสวรรค์พระโพธิยายหัวใจพระศาสนาสัพส ะ, ะสัพปาปัสสะอัการะนั่งการบวทำค่วมตัวบวชทำบาปโดยกายว่าใจาานั่นเป็นหัวใจพุทธศาสาธนาโมดเดียนหูยังกระสังหูว่าอันนี้มันพิษอันนี้มันเป็นบาปเบียดเยียนผู้อื่นแต่ก็เศร้า เพราเห็ุใดจึงเกิดเป็นดุจจักหะวใจพุทธศาสนาคือได้แต่น้อยแต่กับมันไม่เป็นหัวใจมันคือ เ, เห้ออกันหัวใจเฮายังมะกัญยงมะไรมาอะไรไปอะไรขันหัวใจบะมีดมันจ่ายอ่ะคนเท่าก็มีใจเป็นไงที่ไปสิมาสิพูดสิจ้าสิซุปสิทวกขันมีใจเป็นไ่ ขันนั่งหูชักใจก็เข้าแล้วมันก็ชวนอึ้นว่าต้องไปว่ามันหน่ายขาห้ารูรักพุทธศาสนาสัพปะปะปะสะอกรานั่งขันมาการบม ก, าบากธาบาปทั้งหลายทั้งฟวงโดยกายด้วยวาจาด้วยใจอนันเอตังพุทธศาสนาอันนั้นเป็นคําสอนประพุทธเจ้าอันันต์เป็นหัวใจพุทธศาสนาหูเท่านี้ก็ว่าต้องเรียนประไกาศปีหลวกว่ต้องเรียนยหน่ายแหลมันก็นเป็นเนี่ยหงอยางอมากกุศลสูปะสัมปธา ท่านคิดใจใเป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตาการุณาแก่ตนแกบุคคลอื่นเมื่อกายเมือม่อว่าจใจฮะพอทําทบาปแบบข้อเมตตาดีมันก็เกิดขึ้นมาเป็นกุศลตัวประสัมปทนธทําทใจให้สงบคิตใจเป็นบุญจิตใจเป็นกุศลจิตใจฉลาด คิดใจบองโคิดใจรูจักบาปุลคุณโทษจริงสิคิดที่เป็นกุศลนะคิดคือมันฉลาดขึ้นนะ่ะเยีางว่ามันเป็นกุศลเนี่ยกุศลคือใจมันฉลาดใจฉลาดมันหูจักพิดจักถือจักดีจกกัจกครัวจักบาปจักบุญเรียกว่าเป็นกุศลเรียกว่าบุญ อากูสโสรผมว่าคว่ำโมเสดของจิตคว่ำงูข อ, มมของจิตคว่ำมังหุจักของคิดเนี่ยมันพ่ายเราถูกพ่ายเราทั้งคว่ำตัวทั้งหลายไลยเพราะคว่ำโมเสดนั่นเป็นอากูศนมันเป็นบาปน่ะแต่คิดเป็นกุศลอยา่างเบ ก, ก้สงบน้นสงอไสงบระงับคว่ำโลกเกิดขึ้นมากกว่ังหุจักคว่ำโขดเกิดขึ้นมากกว่งหุจัก ความหลวงงงง่ายเกิดมามันกับหูจักปัดเป่ามันทีละน้อยได้หน่อยอันมันมาแห้งเอามันบาฟังสูมันบ่อไรหนาหนากับหูจักมันต่อกันเรื่อยเรื่อยสาจิตตะปฎิโยทปันนั่งถ่าจิตเป็นกุศลจิตเป็นภูชลาดแล้วอืมมันก็รักษาจิตใจเขาหน่อยมันพองใส ขวัญทหายมันกั ator, <พ MU S 2> บว่าหายควรสิโกรธมันกับว่าโกรธขวัญที่ทำความผิดมันกับว่าทาบาเหตุเพราะเป็นอยังเพราะขวัญฉลาดคือพระธรรมนั่นเกิดเป็นในจิตนั่นคุ้มคล้องไหวห้ามจิตไหอืม่ได้ส่งเสริมจิตเจ้าของหันมันสีโกรธขึ้นมามันสี่หายขึ้นมากันว่าฉลาดแต่ส่งเสริมให้มันหายส่งเสริมให้มันโกรธมันทีเฉียดส่งเสริมให้มันเฉียด คนมาคือคนงูคิดใจบริสุทธิ์คิดใจเป็นอกุศลเข้าเห็ดไปสีกับพี่จะหน้าไปเดือยเห็ดไปเรื่อยๆยูๆ่ว่านเขากับึ้งวิาช์เขากับเห็ดเห็ดพอสมก้นชีหน้าที่หาหน้าที่เขาก็เห็ด่าสมาทิ่มพี่จะห น, นหน้าทิ่มไม่เท่ายางไปยางมากก็ให้เบื้งคิดเจ้าของให้หู้จัก บาดดีเข้าลูกไปก็ให้ัวจักบาดนี้เข้านั่งร้องไก่หัวจักบาดนี้จิตกูหากูสิดาคนมันก็บหัจักกูสิหาคนมันก็บหัจักกูสิโกหกคนมันกับหัจักนี่กูสิทำความดีความชั่วมันหูวจักก่อนมัดนี่ความฉลาดมันนี่ถามมันหูวจักก่อนมันกับหักษาจิตคุ้มข้องคิดเจ้าของไงหลักษาจิตเจ้าของ เมื่อละกิจจ์ของใดกิจจ์ของใดทำข้อมซัวขวอมสกปรกกิจมันก็สะอาดอืมกิจมันก็สะอาดพวกเป็นกิจโลกกิจโกดกิจดงแล้วพยายามละพยายามถอนอยู่ในตัวของมันทันมอืมันสะยังอยู่กับสร้างเดินอยู่ก็ตามเห็นยังอยู่กับตังห้มีสติอยู่เสมอเมื่อเดี๋เดา๋ยวเห็นยังอยู่กับหุจักจับของเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเห็นยังกับหุจัก ชิงที่เขาคิดอยู่เดียวหนยเขาเห็ดอยู่เดียเขาเห็ดอย่งมันผิดหรือมันถือมันเป็นบาปหรือมันเป็นบุญตั้งสีเข้อกับหูจักขันต้องมีสติอยู่เพ <c oughs> ื่อการเขาขวดล้านวัดหรือขวดด้านบ้านเขาเป็นแผ่นแต่เขาก็บเบื้งใบใหม่ ต, ต๊ะลงมาเขากระหูจักไม่เ น, นียงสีมา ต, ต๊ะลงนี่ ด้านเป็นแผ่นเทาถ้ำสะอาดใบเท้าหูจักวัตถุอย่างอืเพราะที่เท้าถ้ำใบเท้าสะอาดอย่างเทาก็เบิ้งอยู่เรื่อยมันก็ะหูจักมันซกกระก็ะหูจักมันสะอาดก็ะหูจักวัตถุยังกิบซกมาเสรจแต่น่อยเท้าก็ะหูจักพอเท้าบึงของเทาอยู่คือเรามีสติอยู่นั่นเองถ้าบริรักษาเจ้าของนั่นมันก็คือในป่า มันใบใหม่มันฉีดโอนมาโบจักใบใหม่โบจักใบเก่ามันกําหนดบริหลมันเลยเป็นปลาคนนี่ก็คือกันนั่นคิดมันหกมันมืดมันหนามันบาคลองบาใสกับเพราะบริหลายที่จะหน้าข้นในอบรมธรรมะกับบริหลอบรมธรรมะนี่มันไกลกันได้ลายจ้ะมันไกลกันไหย เราบอกหูจักภาษากันพ่าหูเรื่องกันอืเนี่ยขอบเล่าข้อคือกันขันขอบข้อหูจักถ้ามาหูจักข้อหมายคือกันมันก็บหูจักหยับหย่างหูจักจุดมันเสียบกันันมันมันเสพิดกันมันเสพเลาะกันเน่ว่าแต่มันสีบบดีดกับเศร้าก็เป็นต่างคนต่างหูจักอมันก็บเดือดดอนดทุกข์กับทุกที่เรื่องอื่นจิตใจหูจักค้อม คิดควมถือแต่มันก็นอยู่กันไปไหนสบายนี่เป็นเรื่องที่ว่าเฮาในพักพรในยุดอบรมอ่มเป็นมันพรกมันแปดคำชิบที้คำชิบหาคำจังสิคุณจันทมาเป็นมัานพระให้มีพักมีพรเนี่ย ใส่แต่งเป็นงานบว้ให้กินเขาเจ้าเชืออะไรมาเกิดตายเลยอืม <neck> ม <ie kind> ี่แต่ยางบาเศ้าจ้าเชือมันกิเมื่อยอ่ะบวสงบจ้าเชือเน่ะนั้นมาหุ่นจักหน่าจักหลังอเดี๋ยวมันแก้ปัญหาจังสีได้ธรรมะนั่นนา่นไปอีกยังทีมีเรื่องอีกหลายเรื่องกว่านี่เี่รธรรมะที่เ้างฝึกฝนที่เท่าสิควนแก่มันสีมีปัญญามันจะแกเอีมัน ทำไปบวแใ่หน่อยบวชตินูมดอก อ, อ, อยากก็ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแจว่าวาเห็นมันคนจัดบาเพื่อะทูดเืมอวระทูดผู้ทรงข่าวผู้บอกเดืองอันนี้จังเดืองทุกขครั้งเดืองอันนีตาจรง เทวประทุดข่าวเสมอคือตาเฮ้ามันเบาะแวงหูเฮามันหนวกร่างกายเฮ้ามันแหงมันเหี่ยวไปอย่างที่นั่นคนมันไม่จะเที่ยวประทุดมาบอกเฮ้าชงข่าวเฮ้าตาเจ้าฟ้าฟังเดี่ยวหูเจ้าหนวกเดี่ยวผมเจ้างอกแกลเดี่วร่างกายเจ้ามันแหงมันเหี่ยงแหลวมันเท่าแล้วแกแล้ว ฮันเม่นพ่นปากเป็นพ่นสิปากอยู่ยังสิฮันเหม่นพ่นเบาเป็นมันสีมีเสียงอยู่โว้โวอยู่ยังสันพ่นเบาก็เป็นธรรมชาติกะเว้าอยู่แต่เ้าได้ที่สงบอเบาว่าไม่เสียงเว้าได้ที่สงบถ้าผู้ไรมีปัญญามีความสงบโอ้ยได้ยินเสียงจรงทั้งหลายแล้วนี่ บัดนี้เจ้าแก่แล้วบัดนี้เจ้าเฒ่าแล้วผ้มเจ้า n g ọ แล้วหูเจ้าเสียแล้วฟันเจ้าโยกแล้วคือเฒ่าแล้วคนที่บอกก็ยังถูกระยะขนาดมีเสียงสีดังอยู่สีบนทุกวิหน้าที่โมเดิขาดเพราะเพราะว่าความสุดช่วงควมเสาควมแย่ของหลังสกุลหลังกายเขานี่มันมีอยู่ทุกวิหน้าที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อนี่เป็นคนผุ่น ม่อ่นกับพี่คนอีกผู้นึงมันเปนผู้เก่ามันเปลียนไปเรื่อยๆเดียตเห่าเมื่อไหร่พิจารณากระบอกจากว่ามันเป็นไปนจ ร, นนนปนจรนนินี่พระโพธิยอรักให้พิจรนนารณาอืมเป็นเทาาพวัฑุฒิเทวาผู้ประเสริฐทูตตะผู้ทรงข่าวเอ้าทรงข่าวบอกเจ้าว่าผมจะงอกแล้วหูจาหนวกแล้ว ฟันเจ้าลุดแล้วตาเจ้าฟ้าฟัางแล้วนังเจ้าแหงเฮี้ยวแล้วมี่คือเป็นทรงขราวเสมอถ้าคนในฟังรรมศึกษาอยู่มีใจิตใจอันสะสลดัดมีปัญญามันก็หูวจักเจ้าของออหูเฮานี่มันเท่าต่วแล้วแกลแล้วเนี่ยิดไปคิดมาแหงซอยกำลัง เจ้าของไลยพี่จตระหน้าไปเรื่อยรอบขอบแห้งไปฟังเทียนน้ำขู้วบา่าจานแห้งสี่บอกกับไปอีกผมกับยูนําเฮาตาอยูนำ้ำเฮาหโอ้ยยูนำ้ำเฮาสกลังกายยูนำ้ำเฮามันสุดมันโส้มไปยูน้าเฮานี่เพิ่งยิงมเว่าวให้ฟังอีกสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเฮาเพิ่งยังมเว้าอีกเพิ่มความหูเฮาอีก ข้าวเสด็จพักใจกับพี่เจนะคุณโอ้มันเป็นอย่างสันจริงๆนาะคนมันมันเรื่อดอนิจังเดืองทุกขังอันเดืองอานาตาเนี่มันบำเพ็นของไสของมันตัวเนี่ยมันเป็นของสังขารตนตัวบำเม็นผู้ไรเนี่ยเ่ามันมาไรว่ามันมาฟังเนี่มันกับเสด็จพี่เจนาไปใจขา้าเสด็จฟองใสหนี้กาลังคนก็จะเตรียมตัว คือกันเขาไปเห็นเวียดไปเห็นหน้าเขาขันทเวียนบายล้วเนี้ยมึงตะเวียนเรื่อยๆตัว่ขาชีฝ้าวขึ้นไปตักน้ำชีฝ่าวขึ้นไปหนึ่งเข่าชีฝ้าขึ้นไปจัดแจงแนวอยู่เนียกินเหมันท่านการท่านเมลานึกนคือกันนะฮนี่คือกันนเนีเนี่ยกูนี่มันเถาตัวจริงๆมันเได้เบืองหม่มันเได้ไปจัดแจงคุ้นงามข้มดีใสจากของเมื่อวา ในใจคนของให้พี่บุญให้มีกุศลให้มีศรัทธาให้พี่เจริหน้าอันไหนที่บ่กเคยทําอันนี้ทํา ค, ทนนทความซัวมาแล้วกัพยายามสิพยายามละมันความดีอันนี้บอกว่าเกิดสิพยายามสังสมให้มันเกิดขึ้นมาถ้ารักทิศไปนีทํานองนี้่มมันจะเป็นไปจากสี่ไปในรูปอันนี้ไปจากไหนมาภาวนาภาวนาพูท้อผูท้อนะคน่าผู้ลูกผู้ตื่น คนกับไปฟาว่าน้าผู้โทซื่อๆมันโมหูหจังเรื่องว่าพู้โทษคืออีหยังอ ย, งอย่างสีมันโดนโมจักเพราะมันบดิสันท์ทำปัญญามันโมกิดไอหมีท่านไอหมีศิล์นไหมี่ภาวนาเป็นมักสามประการนี้เป็นมักเป็นคุณทั้งเดือนค่อยๆบริยินไ้ฟังทีงง่จังโมโหจัก เขานีมาแต่สามาอยู่นีเน่ะมันมาแต่กรรมของเข้าอ่าข้อมดีควอมชัวเข้าหน่ะนํามามาอยู่ในโลกมาเกิดอยู่นีมาจากควอมดีแน่มาจากค้อมซัวแน่แนวมนุษย์ทั้งหลายกัจึงต่างกันไอ้มีความดีร้ายมาันก็ต่างข้นบดีไอ้มีสิ่งถี่มันบดีร้ายเป็นต้นมันก็ต่างข้นถี่มันดี กำลีกำซัวสัางมาได้มาอยู่ในภพนีม่มีชีวิตสัน้นพระรัตนตายก็มีหยืดเงาก็มีใจโมโหโธ่โศกก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลมันต่างกันจังสันมันมากจากไหนมันมากเพราะบาปเพราะบุญเพราะค้อมดีควอมชัวเขาสั่ ง, สงไว้มาอยู่นี้อยู่นี้ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่กับคว้มดีความชัวใไปทําดีก็ได้ดีไปทาชัวก็ได้ชัวท่นสอนอยู่จังสันพระพุทธเจา้า อากมีไปสิไปใสกับขึ้นตายตายสิไปใส่บานนี้ไปสู้กรรมที่เข้าสร้างดีไหวยึดใจกับไปสู้ขวอมดีอันนั้นไปยึดไปไม้อันนั้นเข้าทําควอมตัวไหวยิดใจกับไปผูกพันน้ำสิ้งทั้งหลายเราเนั้นไว้มันกับไปตัวกินในสภาพอันที่บนบดีที่เข้าเดี๋ยวมันเป็นบาปมันเป็นบุญ เบงเฉพาะหลังกายอายะของคนเท่านีมันบวกขึ้กันกะอืานั่งคนสมบูรณ์บริบูรณ์โดยจิตใจอาวัยวะแข็งขาตีนมือหลังคนมันกับวบกับพองมันบวต่างกันมันเป็นยังไงมันเป็นน้ำการกระทําหรือเป็นน้ำบาปหรือเป็นน้ำบุญเป็นน้ำเท้าทําใบแล้วมันจังเป็นมาเฉพาะหลางกายอายะของคนเท่านีมันบวกขึ้กันกอืานั่งคนสมบูรณ์บริบูรณ์โดยจิตใจ เอาไว้เยาว่าแข้งขาตีนมือลังคนมันกับบกกับ่องมันบต่างกันมันเป็นยังไะมันเป็นน้ำการกระทําหรือเป็นน้ําบาปหรือเป็นน้ําบุญนื่เป็นน้ำเที่เ้าทําไปแล้วมันจังเป็นมากนี่ทําบาปก็ดีทําบุญก็ดีเพราะว่ามันเสียหลักผลของกรรมมันนั่นนี่เดี๋ยวเข้ามากข้อกรรมของเข้าอยู่พอข้อกรรมของเข้าทําดีมันก็เลยอยู่ดีใช่ไนโดกท่าบุรีมันก็เลยอยู่บุรีขึอนกันเมื่อไปข้างนาเป็นต้น ผลเทียมันเกิดขึ้นมามันก็นไปสู่ความดีคขากล่มตัวเทียเขาทำใหม่มันเป็นเรื่องของยังซี่พระพุทธเจ้าจริงสอนให้เราสางคุ้นง่ามความดีใน ห, หัวจัจธรรมะหัวจัจพักหัวักพรบางคนบางเราหนึ่งมันบนอยู่ใไก่โบกอยู่ไก่คู่บาอาจารย์ โบหุจักธรรมะโบหุจักธรรมโอโบหจักรักที่หนาหลังกายตนในหลังกายบุคคลเดินโบหจักทั้งสารหลังกายมันก็บริฤทธิมันก็บริหาอย่างแฉะมันก็เกิดมาเป็นคนก็คือการกัปวะมันโบจักดีโบหุจักชัวโบหุจักพิบโบหจักขื่อโบหุจักบาปจักบุญคือกันกัปไก่ในบาตรเทานี้เนี่ยมือเส้าตนต้องรบกับกุ๊กปลูกแลนหาจิ้นเท่านั้นเนี่ย กินยิมเดกับข น, นไปนอนนอนเนี่ยบิสทแล้วหากินบริสุอย่างไก่ไปิสุทไก่ขนใไก่เนี่ยเขาปจับไปขายตลาดจ้าจังสันตวัวไม่เห็นจัมมงไรึ้นนะของคนบริสุจับอย่างงวยอันนี่คือกันบรจังแบบจังบญจักุนจังมือไรเทาสิแกสิตายแล้วบริจักตัวจะกองอ ม, อมคือสัตว์คือไก่เขานี่ เลี่ยงได้ร้ายเขาโปยเข่าโปยแหวกโปยห้ามมายิ่งกว่าเดิมยิงทันเลยเห็นมันใหญ่มันอ้วนขึ้นบอกคุจ๊กว่าเขาเดีย่ยงตัวใหญ่เขาจะเอาตัวไปขายบนเรขึ้นดีๆฮฮี้ฮงขุนแฮ้งเสื้อเกาวดวนมกินเขาน้ำเฮี้งจะค้องจับแห้งยกบึงเหนื่อยได้ยัด ก, กิโลแล้นอนนี่เขา่าจ็งไงไก่หรมีตะมวนอยู่พอจะเขาหักตัวอยู่เพราะ ว, ว, านาว่น่ยเางวันเข่ากินมาเฮ้งอวดแห้งพี่ขึ้น เขบอกนมองอยู่สุมือน่ไ้คนสองกิโลแล้วบ่อสามกิโล้วพอเขาเบิ้งอยู่เพเศ้าเจือเือตัวมอ่งทกินกับเปือก็บสันก็อยู่เพเศร้าจือเกลือนี่มันพอควนเขาไปจับแต่ย่างจับไง่ายซ้ะของคนเคยกินเขาแล้วเม่าหั่แต่ย่างเนี่คูนหาบนตลาดย่าอยู่บริเวณหาแล้วใช้โลดไอ้คูนงขันโอ๊ะโอ้วยคูนฉะนั้นวันสั่วแต่เมื่อคืนวันคนนึ่งกิโดโปรยจับไ เมื่อหยักษ์คนนั้นนี่ยไปหอดตลาดเด็พผู้เขาไปขายตลาดผู้เขาลวกคนข้อเขายังว่าว่าเขาทาขั้วสะอาดให้ตูอยู่แร้ขนาดนั้นมันดงโดยปนนันแ้ววันมันเจ็บทงขั้วสะอาดข้อเพื่อนให้ผนได้เนี่ะเขาลวกคนข้อตั้งไตออกเนี่ยหูยักษ์พูนวันนี้มีเขพบาทคนเจงางูยากษ์้ย์เนี่ยมันลงโดยอดปนนันแล้วเพมันดงหยากษ์ของเกี่ยวว่าจะไหนเนี่ย เข้าคือกันเนี่ยมุ้ังดีจั๊ัวบกุจักแตอหน้าหัวจัดีจั๊จับาปจั๊ปุณเนี่ยมันก็บกขุนบกเกียวกันแนะเมีป่าหน่ะสาวเข้าอืมั่นกับบกักจกจกพอกันเนี่ยอืมันกับเป็นจิ้นเป็นถ้ำเน่บ้านเมืองมันก็เจริญกันท้ตัวเอาอยู่กับสมายอยู่วันใดกันไดสมัยแต่พอแต่เมเข้าปุลคนมันบหันหบ้านเมืองบกเป็นยังสี ม่ว้วยนันเอก้อยสันมาเห็นป่ะขส่ไปไหนไปหน้าจสั่นกเพื่อนจ้ก่อนกบฟ้าอะไรคูปลอกวันทีไปอัดไปเอาใหม่เมื่อสอคือกักเขาเลยหาพ่อเขาดมเป่าลงไปหน้าน่ะมนปาเออใหกไฟฟ้าเพื่อนในเล่อว่าสั่นเออไปเบิ้ลหมื่นเบิ้ลเวียนกลับมาอีกนั่งกับวัาซืเมื่อนี้ห่วย บอว่ามึงเสีดตลอดเอารถมือนน้เออลางวัลมางที่น่ยมันไกลกันปะไดใสกุญแจลงไปถือมือนี่ยมันยังงัดเนงแงตั้งแต่ก้อนใหม่เฉดเดียดทั้งนั้นเอาเสือกคอยแต่ฟกไว้จริงพราะใบหมาเขากินเขามาจนนี่พี่ปาเอ้ยคอยฝากเคลื่อนนี้เด้นไปหน้าก่อนเออแบบล้มมากเยั่งอยู่ซือซ้หมากระบอกินเขามามันบัมีอย่างถือมือหนีขวายเสีดตลอดม่มีเยอะ นี่มึงที่มันเป็นยังจะเป็นอันแหกงมือคุณมีแกกูเอามือมือกู้จับมืออื่นแล้แห้งผูกพันกันไปเลยน่เมื่อจบจะเจอเห็นมดสมุนมึงนังสือพิมก์นไอ่านือพิมกันม่จับกูขามึงมือจับมึงขาสู้เดือดสารพัดกันสนันเฮากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังหน่อยบานมื่เฮี่กลุ่มค้องบานมือเฮาให้มันได้น่ออกเทากับพรกันสั่งสอนบูกหลาน ถ้ามันกลาบถ้ามันไหวเห็นพระเห็นเจ้ามาให้มันนั่งให้มันโนบให้มันไหวฮัตมันเพราไหวขันบระัตมันมันจะสูงมือยาวเลยร่องร่องมือี้บวชือฮัตเป็นปัตนเนี่ยฮัตเลยถือเป็นประโยชน์ของข้าวเนี่ยฉันมันสู่พ่อสู่แม่ตัวขันพระฮัตมันไปแล้าหัดแล้เราฝึกฮัตจะหนมันเคยฝุ่นอยู่ในสันดานของมันขันจริงให้หัตให้ฝึก โมเสียหายจากคนต่างใจวันพระีวันวันคนหยีที่กวนันเข้าสู่กันยุบันนั่งคนลดลาดกีฬาเลยแล้วมุนจักวันพระวันคนโมูุจักอี๋ยังแล้วมุนนั้นเดี๋ยวมหุจักเมื่อน่ะเมื่อหลังมหจักปั้นสีตายบาเป็นปันสีแก่โมเป็นปุถุวาคณะฤาษหล่าัดมันก็นเป็นยังสันน่ นีเดียมฝนกับีเดมโนมันกระต่างกันยังสั่นเนี่ยอ้าวนเีีฝึกอบรมจิตใจกับข้นเดียวบริฝึกมันกระต่างกันยังสั่นจ้ะมีอม่งมันที่ต่างการเทาต่างใจฟั่งต่างใจอบรมจะมีคข้นเฉียฉลาดเป็นจังสั่นรักพุทธศาสนามีผลดีสัมือนี่เนาโอยโมจักเนาะมันบริฝึกหัดเลี่ยนกับ่กเลี่ยนจะทังอื่นเลี่ยนไปในโลกบดยเลียนธรรมะ มัเย็ยนเกลียดคิดเกลี ย, ยใจเจ้าของมันจะสอนเจ้าของมันกับเรียนไปจังขัดภาวนาอพี่หน้าร่วมหายใจเขาออกพี่หน้าผูโทษโทษไ่ได้ว่ากับสร้างมันดอกาาหายใจหันใจกับมันกับผุดออกมามันกับโทษผู้โทมันเป็นเรียงของมันจัะภาวนาในวิลาเทไรเป็นหน่ะกนั่งบุกภาวนา นั่งดูจำวนพี่แกน่าร่วมกนะันนะว่ต้องคลื่นไหลเนาหาย ใ, หใจเข้าหยุดหายใจเข้าเป็นหนึ่งเป็นนอยู่กับล่วมกันะกระชิดมันจะสงบถึ ง, ง น, นันน่นแหะปัญญามันจะเกิดแต่พี่แกน่าหลบขอ บ, อบมันต้องคลืไปหลนาะมันต้งองยานมันเป็นหยังเ น, นาะร่มเขากหัจักร่วมออกออกับหัจัก อย่าไปบังคับไหนมันคอยอย่าไปบังคับไหนมันแห้งอย่าไปบังคับไหนมันสัน่นอย่าไปบังคับไหนมันเยงาเอาความสบายมันนังน่งนับตาเก็กก้มก้มหายใจเข้าออกดูสบายในเวลาเมื่อพระสงฆเทากับพักกับพรสั่งภาวนานีา่ยค่าๆแต่มันนึง ปูม้วาย้แมันบริหารมันหกเน่ยคีย์เนียบมันาฮัดได้มันสบายมันสงบมันสงบของงินบานีเมื่อนั้มันมีราคาเท่าทิดสงบเนี่ยอันนี้มีราคาหลายคันั่นถ้าเราหัททุกเดีวมันถือ่าตกใจหน้ากองตัวร์เมันจายกับายนี่มันไ่ต้องัวร์เมันึสบาย บมกษิวาสเกิดไปทุกไปยากิวาสเกดไปลำบากคือเขาเดินห้างนี่เครื่องเตรียมตัวนิดห้อเขานำเส้าไปยุบป้าเนี่ยบริโภกใจอืมผู้ที่บ่มีห้อเขานำเส้านะว่างยุนเนี่ยพอทางหิวมามันจะบริโกินอันนี้คือกัรเนี่ยแล้วเราสั่งพวกงามก็ดีแลวมันยิ่งไหนมันก็นสบายมันนี่กัรบางใจจัง ก, กัน คนปัิจุบันคือว่าวิจากันี่นาที่มีปัญญาหาการหาเวลามีเหตุมีผลเว่าวกันดวกปามีประโยชน์แก่ตนมีประโยชน์แก่บุคคลอื่นต้องมีปัญญากับมันคืนอหนึ่งนว่ากันหัดเมื่อมันใดแยกเดียหามเรื่องภาว น, นานี่แหมโอชัวกว่าดีมันชัวรมันพิมันถิก ใจฮะมันดีใจฮะมันสงบใจฮะมันโกรธมันโกรธมาให้คนชัดก็สายคิดเจ้าของเขาหั่นวกัสช่างเดินวกับตามนั่งวกับตังหังนอยู่กับตามให้เากันมีสติกันใครอะไรมันทำผิดแบบอ่ะเขาจะว่าผิดแบบพยายามเลิกทำร้ายให้มันหน่อยบงางหน่อยให้มันหมดไปมันที่หน้าเห็นโทษมันเทไรมันออกยังมันออกคนที่หน้าเห็นโทษมันทําควบตัวขันโบเห็นโทษเมื่อวบตัวเมื่อกละาเมื่อไรเห็นโทษเมื่อคะากับหางอยู่หรอ เราอยู่มันหรอกพระกันตังมองดูวัดมันก็นอกเ้องเนี่ยเพราะว่าหน้ามันเยะตึกกับใกลบ้านนี่นะให้พระกันป้องกั้วอย่าพระกันให้นั่งสงบระงับอย่าพระกันบอกกันได้พระกันคุยกันเอะอะเราแบพค่อยๆบอกค่อยๆเดินจะกลมไหนน้องมุนยังเดินง่ายๆนั่งงยหนีก็ไรเพราะว่าหน้าเขาให้มันสงบเหมือนัน แต่นี like media, ่พระญาติทำให้มันดีกว่าวัดป่ากระไรตัวอยู่วัดป่ามันมันถึงว่ามันไปบอกไปคุยมันดีสงบอ่ะอยู่วันบานเขาห้องจักรกมสงบเนี่ความหังเขามาหนีเขารักษาขอวัดอันนี้ไหวคอยฝูดกันคอยว่ากันให้พระนุทธไควลมสงบประโยชน์พระท่านหัวใจไอยู่สายมันีสงบพระท่านบ๊อสงบเน นี่คือการวางนะยุไกรว่างแต่ดีขึ้นคงัดมากไปยืนในป่าผนไปคุยกันในป่าผมไปห้อในปาผมมันก็มาถึงผมคือเก่าใหม่ยืนอยู่กับคงชัดถึงเวลาเข้าทางานแล้วก็ถ้ำถึงเวลาขอวัชราแล้วก็เงียบต่างกนต่างอยู่ตาขึ้นมากกนั่งสมาธิต่างคนต่างทํา ามวัดท้ไมมันแดีวชราก็ห็มันแดียวมันมีบนมุ่งมันมีบนบังมีบนอยู่บนเศร้าบนอาศัยแต่วันก็ดีช่วยหนุ่ยหน่อยก็ความสงบมันหน่อยวัดมันบางหันแดี่ยวบางหันเป็นหนังก็จอยกันอุจาสิทั้งพอาะฉงขวรนคือวัดประโคนมันยังเป็นบาปว่ะ นมันขอไปด่ายไงก็เลยบุจักนั่งขนไปเวียัเอาหัวส่นกันเดอวยนอยู่นํากันกะหลงมทานีจากกันกหลงอยู่น้ากันกะหลงหักหลงแพงหลงเปียดหลงชร้างกันยังสัญญามหานีจากกันนังเสพนองน้ำกันหาน้ำกันมหาใจจะหายมากเลยอยากตายมือนีมือนีมันหีขอจังสัญได้ั้งเถื่อ มันหายใจดีมาก่ถ้าต่ออยู่จะทวารอยันเดี๋ยวมัยืดข้นอ่งมันกับยาแก้เหนื่อยนอย่างยืดย่งานเพราะว่ามันจะหายมากหใชกับบวห่ลูกเกาเราร้ากันสร้างมาใหญ่มันตายสารละลายกผลใจมันมันถ้ามันเป็นยี่ป่วนใช่นั่นมัคือเก่ามันน่ยเนายมันกับิงงูลายเสืาแท้เข้าหรือยังไงเนี่ มันแกนกันแน่แเช่นน้มันัสัตว์มันถอเป็นบาทยุบเศ้าเนี้ยมุี่เลเ่คนมันขดกันจัดกัน็อยางไรทหน้ามาราณาสติอันหนึ่งึงควมตายของเทาเสมออันนึ่งงควมตายเสมอเสมอแล้วนืงใจเทามันบ่เหื่อเหื่อมนอกมาเห็ทําควมชัวยังเถว่ามาหาเขาทํามกูยางสี่สี่เห็ุกันยังไาเทาไปท่าเขายางสีเขาสียบัดเนยเนาาหาเขามาทาเทาเข้าไปท่าเขานนิมันถืเป็นยังไง มันคึ้ยอดกับมาอย่มันก็เศ้าหอกอันนี้มีเสียเอามันเอามัน่าเสียเอาหาไมันยากกันนะไรอ่าไเมื่อยอดมาบนเด็กของนึกเสียมันหนงเตลิดใจไร้คนนี่หลงกินบมกจักคนละหล่ะบอกง่ายๆมันอยากคันว่าคนหลงมันมาเจียดกันแน่ไม่องค่ะขึ้นบอกเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแบบโมกุจักเขานอกขอบไม่ได้ภากันเบืองที่ชีวิตยึดประกดเขตจฟัง ตายอย่ากูจะให้มัจิกาเทสเดี๋ยวฟังนั่งเืีรกันตายอาไปเสกันหยาบเลยเชียร์เงินเชียรช่องลูกเต่าเล่าร้านจนกูมีกูชิ้นเขามาไม่ถิงน่ะมันหนอกหายมึอนี่ต้องตายแล้วง้วเจ๊ตูสับตูืึงคนตายกูเรียกจหางง้อกุ้งปล า, าขาทั้งหบบเหนือแห่งงวมันอนืนอ่นก็เบาเลยแต่เอาง้วก็เพื่อเนทันยังไงมีคูเนื้มปลาขาซูมูกินจังคุ้ยมึงเนี่ นี่ตัวยาชีเน้าอยู่บัดนั้นบัดนพอเมีตายเอาเดินมาข่าดมันจะขุ่มโอ้ยโเคชี้ให้กันดอยนี่เมียหน่อยให้ด้วยกันนี่เมาชีอันใดมันจะมีประโยชน์น่อยใครมีประโยชน์ร้ายใครมีประโยชน์แต่เดี๋ยว่างกี้ันนึงมันก็่า่ไรับ่าไปว่างมั้ไปว่างวันหนึ่งวันนึงเหือว่างมั้งไปว่างบัณฑุราชเบื่อกันบมุญแจร้เทเนอกมี่เชื่อหรือเปล่อืม นี่พวกนี้ที่เกิดเรื่องผเตีกันผลพวกยังมีชี่มีดูอยู่ขันว่ากินนั่นว่าขีดแต่นี่อันนั้นอันนี้ยังชัดอ่ะอืมนำดีนำได้เขาคนขี่เดาอืมอยเขาคนขี่เดามันเสียเริ่มอ่ะไหนกินนี่ไปเมื่อนอนบอกเออคนสีเมื่อเราบกว่ายัางยาจอาเขาคนได้หันผมลาวได้คับบอกว่าเออไปแต่ว่าหันพยังเมื่อไหร่ผมลาวแรุ่รเ้ราะว่าเออไปเมื่อเมื่อเมื่อประมาเออเมื่อ น้อยกยอะไปม่ไ่อีกไปรับต <inf ênio> ัคนเชียวอยู่ันขึ้นเนี่ยเตกันอกน้อล่อย่างขึ้นยังบ้นมันก็บรีย์จะขึ้นเชีไปหนไหนต้องการรมาไล่อีกตายเถว่าไปคนหนรมล่อีกโอ้ยมันโมเกิดประโยชน์ยังเนี่ยมาเ้าคนสี่ทํานแขนเกิดฉลดทั้งเออสังขารนี่มันโมเนยโมเนยโมนอนธรรมดาดูแล้วเมียเราตายพอแมเราตาย แมนจังไงมันก็เกิดควมหลุดยังไม่อยู่คนอ่าบดบนอาัยเด้เฮามันควรกลับมากหลดมันจะไปใช้นวดต้องกลับมาฉันไปยังเอาซพอันนี้เนพระฉันไปเยี่ยมไปว่างไว้น้ำพระเมื่อใจเฮากลับมากเพิด่วมว่านตายว่าซํานึงมันบริโภคซาหรอกมันใจมันบรสุทธิ์มันบริขับยังเกิกันพอเฮาเสียนิจจกเมีเสียนิจจมัน้องว่า เออเลี่ยงแล้วมาจนยังจนโตบันนี้นี้บาทนี้เนาะโบเห็นเลยเนาะบาทมันกลับด้วยหลอกใจขาเมันกลับมาบาทเก่ามันหอกเดี๋ยภาคพฤศจิกายนฝังสอนมาสิตต่างใจฟังเหตุผลมันจบเข้ามันสั่นจบอันนี้ราแยงเอาหลอมัมกันบ้าใบเดีแยงมูเท้าหลังเลยรถเกินทอดแยงสามหมื่นสามเกินกันเฮ็ดตุจะยังสั่นโอ้ยมันก็โผล่เดียบมนี่มันยังมันสีมาเกิดความดุพัเห็นเสียเมื่อไร ข่วงจิตปงข่มสลดสังเวทอ น, นิจามตสังขาราอุปาทวายาทมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังโมพาสมุสุโคสังขารทั้งหลายมันเป็นของโมเทียงสังขารสังขาราหมายถึงสังขารทั้งหลายอ น, นิจามันเป็นของโมเทียงนี่เรียกวหาใหมา่คือเกิดเป็นพอพิมีห์นี่เรียกว่าหาไมา่เกิดเดียวก็รับไป เป็นเครื่องสมุดแบบพอเมในห้องปเครื่องสมุดสมุดแบบพอเมสมุดแบบหลูกว่าเจ้าของสมุดเนี่คือมันเป็นข้จริงขันคันแม่นขันแม่นข้จริงแดีว่ามีสมุดอันนี้กันมีมีสมุดแบบว่ามีคนอจริงจริงแต่จริงสมุดขันมีสมุดเมื่อพระพุทธเจ้า มีนี้ยืมกันไปทนก็บอกวจะันีจะกันเมื่อไรอย่ามาค่อนคงตรสังเวชนี่แคือกันจะต้องเป็นอย่างนี้ตุกุกคนหาว่ากันมากใจในี่ิงทั้งหลายได้เจ็บเพระกันสบายม้นทีมีเมนี่อยู่น้ำกันกับบทตเลาะย่อกันมันหินธรรมชาติมันแต่าพาดีจากทา้งหลายเมียไืมกันหมื่นหนึ่งกับคืออยู่คนเดียวน่อยงั้นก็หูเรื่องกันเว้ยพกจะยงแย่งกันดานดันจิตใจสบาย อันนี้คือกันเนี้ยนี่ยเม้นมิเม้นเปลี่ยนอยู่รู้น้ำกันก็คือยังตายอยู่เม่นตายแต่จริงจี่ก็คือยังเปลี่นอยู่อืมมันมียังถ้ามาชาติที่ไม่ตายมันนี่อันสกุลร่างกายของเราเนี่ยอืมมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมมันเป็นตัวเป็นวัตถุธาตุยินญาณธาตุคือตัวรู้ทั้งหลายที่ห้าจับบัถูกบวัตไดย อันนี้ความรูลที่ใจของเราตัวนี้เป็นของนีอยู่ตัวนี้เป็นของรับโบได้เป็นของดับเป็ของธรรมชาติมันเป็นอยู่เป็นของโบไดเกิดโบไดตายที่มันเกิดมันตายเนี่ยไปเราวิ่ญยานที่มันหลงมันหลงอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์อันนั้นอย่ามันเกิดแล้รับรับเริ่เกิดแต่แปลว่าทำตัวธรรมชาติคือข้นจริงเนี่ยมันยังนี่อยู่ เนี่ยภาษาสาระทางรักษาวิญญาณ ต, ตัวนี้แหละที่ตัวมันเปลี่ยนไปเป็ียนมาอยู่บลเวณเท้นตัวนี้ลงก็ลงหมดทนนั้งกายช่าก้อนนเนี่ยดินเน่น้นี่ยไฟเนีล่ลมเนีน่ยแต่เพือท่นปรมชาิเท่านันแผนวิญญาณ ไ, ไปไปไปปาดอยู่ ไ, ไปติดไปทุบไปยีไปยังไปส่วนมื่กั บ, บุตรเป็นยังไงถ้ามาิอั น, นี้ว่าไปนะอืม มันมาไปน้าไผ่ก็คือบ้านเท่าจะคล้งองบานเท่ า, านี้เดียวกะบานเท่ากับห้างเพี่ยอยู่ย่งนี้มีวัดสังขารสังขารสังพวงอานิจะาว่าสังขาราสังขารทั้งหลายโมเทยีงทยงค้อนโมเทียงก็คือมันโมยุคือเก่าเนี่ยเดียวเคยอยู่ น, น, นํากันมากบาดเนี่ยชีจักนะเคยนุ่มมากกับชีรีแกนะกับิีรีแยกใหญ่กันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดามุี้เป็นคนจริงดีๆมั่นเป็นอย่างที่ เนี่ยวมีเดี๋ยวหาใหม่เดี๋ยวรับไปอตั้งขานตั้งหลายเป็นของหมียังอุป า, า, า, าทว่ายะทมิโนมีความเกิด เ, น, เดนี่ยวนิรุชันตี่ยอมรับไปนะเจสังอุปาสมุสุโขภุไรมาสทิณามาสงบสังขันเราหนีเสียมาสังขันเป็นอย่างนี้อืมเมื่อสงบสั้งขันหนึ่งออกจากใจของเราไหนนี่ขอ้อมูลเกิดมาเจสังอุปาสมุมสุโขค้ขขอมสงบระงับเกิดมาโหลด ความเป็นจริงกับวิขององีกอยางึงเสียหายอีกอย่างเราเข้าใจว่ามันเสียไปเสียมาอเจ้าสิกั เ, กกเข้าใจว่าสายนี้จักกันเนี่ยคำมานี้จกกัดใจใจมัสบายดูใจมันมีสบายเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตละอืมทีนี้ถ้าทีเห็นไ้ว่าตาว่าเล่าที่มันออ่อขาขันมันแจกไปแล้วอืม กาเรวามันสร้างกายก่อนไม่เป็นมากแล้วคันเมาเกิดเป็นรูเป็นน้ำเป็นใหม่อีกยังสีเป็นตัวคัน น, น้อยๆเยอะ ม, มากกับคือกันกบเหลียวยังมานมาวัตถุกบเอลีวอวห่อเงินหอทองมาเหลับสมบัติมาเลยมาเจนเนเจตัวฟ้าเผยมาสุขคนสุขคนนี่แสดงว่าวัตถุนิย่บริสิปไปนี่โไรไงก็บทิมในรูกน่น อที่เอาไปได้เปรียบคว่ำดีเข้าคว่ำสว่าที่เรียกว่าบุญหรือบาปมันมาได้โดยวิธีอย่างไรถ้าเกิดขึ้นมากมึงยังจะคนตัววัดทั่วหีิมีงยังมีแต่ห่างกายที่นี่เกิดขึ้นมาไปมันสมมิมีหัวคิดปัญญาดีสว่วกว่ากันมันมาเฉยใสอันนี้เดียงหน้ามาทําอันนี้คือดีแต่สว่างบัดมันฝังไว้ในหันขันแต่น้อยโยธรรมศาสตร์ว่าแกมันก็แสดงออกมาถามมันใหญ่มันแกไม่นลยมีหัวคิดจะต่างกันมีปัญญาต่างกันมีความเสียบแหลมยังต่างกัน อยากจะมีความสุขถูกจางกันมีความถูกนี่โบสมั่มเสมกอการเรื่องมันเป็นอย่างที่มัคือกันก็ผลหนาไม่คือบะ ง, งวงอย่างที่ล่ะเข้าจับบ ง, งวงขึ้นมาเล้๋ยวเขามากินบะ ง, งวงฝาจินมเดี๋ยวในบะ ง, งวงเน่ยเข้าบบเคยขึ้เลยเพราะจะเพียงเพาจะเพียงว่าไน่บงวงนี่สันกรเรียกเ่นั้นเมื่อคึดว่าเข้าแบก ต, บงงงต้นบงวงท่านท่างตุลกินอยู่ให้โมโงจักเพราะว่าตุนบะ ง, งวงนั่น มันมีอยู่ในในหม่วงฮะแต่ห้ากระบ่กจากมันแต่ในเวลานี่ยมันบ้านแสดงอย่างอกมากกับปีความละเอียดอ้วยมันจะมีป่าออกจต้นไปฟันไปถูบึงก็มีเป็เนื้อขาวๆใบมันอยู่บนนี้งาอยู่บนนี้ต้นอยู่บนนี้สามารถแท่นขี่เ่อไหรในในหม่วงเม่เห็นขี่คือมันบ้านแสดงอย่างอกมากที่นี่เมื่อเอาไปปลูกบ้านมันจะค่อยแสดงต้นเึ็นมาแสดงใบเึ็นมาจนตลอดต้นจนปลายมันแสดงหอดกิงหอดงาหอดใบหอดดอก หอดผลหอดรสเปรี้ยวรถหวานมันจิแสดงขึ้นเมื่อคุณเนวแต่ของที่มันมีอยู่เป็นเดนมันก็อยู่ในหันล่ะไม่ได้มันเนียดอยู่มนุษย์เราทั้งหลายที่กันที่เกิดมาสุกทุกมีปัญญาเฉลี่ยมีบุญวาสนาปัญญามันมีอยู่ให้เวลานี้ของมันอยู่ว่เป็นปัตถุเลยอืม่เมื่อมันแสดงขึ้นมาแล้วคนนั้นไม่เพียงจะมีความสุขเนาะจะสบายเนาะบุนก็พอตัวปัญญาเนี่ยมันคิดได้คิดดีคิดชอบตัวปิญญา คนยังให็นข้อมูลตัววิญญาณเนีคือตัวบุญอาถ้ารกาคิดดีพยายามดีเป็นดีมันบริสุทธิ์ไอข้อมันบสุดมากเกิดไปจนข้วมนันคิดกับบริสุทธิ์มดกนี่จานเงินเบื้กระสู ง, งกงงว่าคนนี่จิตใจกระสูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายแต่ระดับหน้าจิตสูงตามคนบรเห็นมันนี่ข้อมรู้สึกนึกคิดไปแบกมู่แบกขวากันต่างๆใครๆว่าอันนั้นเขาเห็นมันเป็นของเอาถ้างผู้นี้ไปเห็นเป็นตัวเป็นของขิมผู้นั้นมันเป็นของที่มีประโยชน์น ผูมีข้อมูลเชิงอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์มันไปกันอย่างที่ในบ้านพ่อยังมีเออพอตัววินญาณนี่แหละอันเทียบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ต่างกันคูที่ไม่บริสุทธิ์เั่นเห็นสิ่งเทียไม่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็นประโยชน์ผูที่นี่บริสุทธิ์เด่นไปตนเห็นชิงนี่ไปตนไม่เป็นประโยชน์ด้วยเมื่อข้อมูลคิดเรื่องการกระทํากระตานกันบานบางคนเนีกระสางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาใส่ตัวของตัวบางคนซิงที่ไม่เป็นประโยชน์ชนิดนั้นไม่สร้างใส่ตัวแย่กันทัางกันตรงนี้ มีกระสารทำ ม, มาหากินไปในโลกมีความรู้สึกหนุจิตต่างกันแปกกันไปต่างๆนั่นน่าบาดนี่นี่มันแสดงถึงถึงเหตุผลของมันทีแล้วเดี๋ยวบุญหรือบาปดีในตัวความดีความชั่วอันนี้แหี่ยทีว่มีตัวตนนี่แหละเป็นตัวมันเปลี่ยนมาเป็นอาการของจิตเกิดความหนุนจิตบวคือกั น, กกน ร, รู้ติยังบวคือกันมันแยกกันใจมันคือกันมาเลยพอดีกับตัวพวกคือกันถ้าเสียวบว่าบุญใช้บุญมัน วาสนาไพวาสนามันเนี่ยจัดมึงมันเป็นวาสนาเนี่ยฮะว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเป็นยังสอนว่าให้ทํางบุญทีจิตใจของเจ้าของก็เคยยังสิละพอแม่อเท่าที่บังเกิดเก่าเรียงเข้ามามาเ ม, ม, มื่อเทาทีเป็นคนบมีงพอในแมยนคิดยังสิละเมื่อไปละถามว่าคิดอีกรูมึนกันตัก็ดีขึ้นกันคนอุตสาเรียนเข้ามาใหญ่ยายปานนี้เลยมาที่พ่อแม่เยอะใช่ไหมเนี่ย ใจดีใจดีเป็นไหมบนเด็กขาแขนมีนเที่ยวอยังอีกแต่คือถอดคนก็นมาสั่งอ <fun ut> evet. ันนี้มันด so ีดีอืมแข่งสังอันนี้ดีกระเทิงเพิ่นเนึ่ตัวเขามุนเขาเพิ่นที่ว่าจะไปอือแงมุนจ้ายันนี้เันจะเอเงินเสีบไปทธิกวให้เอาไปไถ่ายว่าถือกันด่ากันมันงูจักหรือว่าอย่างอืมเอาร่างกายจิตใจเนี่ไปสา่งคุณนง่ามค้นดีแต่คือมุนมุนมุนรกของฟอของแมียั้งสิตมารวมมีสีเห้าเลยมีเจเมียเกิดบไตรมีเจฟอเกิดบปตน นี่ขดึงถึงคุณพ่อคุณแม่เอาร่างกายก่อนหนีมาทำเมื่อสั่งความดียกสั่งบาปสั่งกรรมด้วยการกินการไปการมาให้พี่จรณนาะพิดเดี๋ยวใครจะย่อยมนออกค่อยดีค่อยเลี่ยงออกเมื่อตาพิตูอุปทานนั่งปฏิบัติวิธรรมานดาเมื่อท่านมีชีวยปฏิบัติก่อนของท่านเองสั่งเมื่อท่านตายไปไปถึงก็ไม่ปิบัติก่อนนีายก ส, สั่งความดีแยกสั่งความไ่ได้เกิดประโยชน์แยกสิ่งชีวิตประโยชน์ แต่พราะนี้เขาตายไปถึงมันยังอยู่วานนี้่เพราเขาจังใจไดอย่างหีึ่งเขาบอกกายว่าจารย์ไปสั่งควส่วนของปอมีของเขาคือกันกระเพื่อจัตใจเขานิพ่านไปแลยไปจนเขาก็เลยนิพ่านทันผู้ไรรูนิดนึดถึงคุณคนส้างคุณง่ามข้อดีคุนห้ามใจไงคุณห า, หณหาประพฤติอย่างไาปรปฏิบัติอย่างไรเอาคุณนะธรรมของคุณมาไว้ใน ใ, ใจของเขาก็คือธรรมะเมื่อเรีบาปบนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามที่จริงเนี่ยเปนกระสือเห็นกระจับน่ เหนบุตรเจ้าคือคุณการทำของเพื่อนกับคนไรเห็นทำกับคนน่นเห็นเราาคนไรเห็นเล่ากับคนน่นเห็นทำอืมคนไรเห็นว่ารถของพอของแม่ยจเห็นพอเห็นแม่เห็นคุณพอคุณเมียเห็นตัวของเจ้าของถ้าเห็นตัวเจ้าของเห็นคุณพอคุณเมียเลาก็เห็นพอเห็นเมียอยู่ตลอดการตลอดเวลานะคุณงามก็มีอันนี้ของสันโมเสียบริเกิดบริายไปใช้ยังมีอยู่ตลอดการตลอดเวลา ถึงการรับไปเดี๋ยวเป็นธรรมดาได้กันมันก็เป็นธรรมดาสิทธิ์ท่นนี้ดูคตัวของอท่านีเป็นต้นี่คิอยังโมตัยได้ได้มล็กโกกัของป อ, ง อ, ของเขเนี่ยนึกถึงอุปกรณคนของสิทธานเดียงเรามามาทาตายก่อนนี้มาทา ม, ม้าจานี้ให้มันม่นเสมอให้มีศินมีธรรมเกนมากบัดนุ่มระดึกบหร่ก า, างขงนระึกใหญ่างขนระนึกบุหรแก่มาให้พระกดึกใหญคต่ออาควรท้ า, าจะให้มีความมีสจิตังกัน